พระส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นวันพระสงฆ์แต่ที่จริงเป็นวันพระธรรมว่าความหมายเต็มๆของวันนี้คือวันธรรมสวรนะเป็นภรราษาราชการธรรมสวระธรรมสวระคือการฟังธรรมการฟังธรรมตา ม, ตามการอันควรอันนี้ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งของชีวิตกาเลนะธรรมสวรรนังเอตัมมังกะลุงวเตมัง การฟังทำตามการนะตามการนี่ก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่อย่างน้อยๆก็อาทิตย์ละวันนะวันนั่นก็เรียกว่าวันธรรมสวรรชาวบ้านเราก็เรียกง่ายๆว่าวันพระแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าหมายถึงวันพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันพระก็ตอนเช้าก็พากันเอาจังหันมาถวายมาถวายเสจก็กลับ ไม่ทันได้ฟังพระธรรมเลยก็กลับซะแล้วพอไปเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ยังดีที่มาวัดอย่างน้อยก็พาลูกพาหลานมาแต่เดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ที่เขาไปเรีย น, เ ข, ออ น, นเข้านุบาลเข้านุบาลตั้งแต่เล็ก3ขวบก็เข้านุบาลแล้วก็เลยมีหลานมาฟังธรรมกันน้อยหรือมีลูกมีหลานมาเข้าวัดกันน้อยอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ว่าพวกเรา ไม่ได้ทำอย่างนั้นคือไม่ได้มาแพ่มาถวายจังหันแล้วก็กลับพวกเราก็มารักษาศีลนะรักษาศีลมาฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลนี่ก็ถือว่าเป็นการรักษาธรรมให้มาอยู่กับกายและใจทีแรกก็มาอยู่กับกายวาจาก่อนแต่รักษาศีลก็คือการทาให้ กายวาจานั้นประกอบไปด้วยศีลศีลห้ามันก็จริงๆก็หนีไม่พ้นการเกี่ยวข้องหรือการดูแลมือ2ข้างเท้า2ข้างแล้วก็ปากให้มันดีศีลห้าก็จริงๆก็มีแค่นี้แหละคือการดูแลสมือ2เท้าแล้วก็1ปากรวมเป็นท่าให้มันดีเพื่อมือของเรานั้นก็ไม่ไปจับอาวุธฆาตสัตว์ มือของเราก็ไม่ไปลักขโมยหรือไปเอาของที่เขาไม่ได้ให้แล้วก็ไม่ไปใช้มือนี้จุดกระชากล่ากไขที่ไม่ใช่คู่ครองของเรามาทํำมิลิมิไลข้อที่4ก็เป็นการใช้ปากให้เป็นไปในทางที่ดีที่เหมาะสมไม่พูดโกหกไม่พูดยุแยงไม่พูดจับคายข้อที่5นี่ก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช้มือของเราไปหยิบปวดเล่ามาใส่ปาก บางครั้งมือมันอาจจะทำไปด้วยความเคยชินไปหยิบปวดเล่ามาแต่ถ้าเราปากเราปิดเอาไว้มันก็กินไม่ได้บางทีก็ต้องอาศัยเท้าด้วยเพราะว่าเท้านี่มันก็ต้องไปหาซื้อเล่ามาเล่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไกลแล้วเดี๋ยวนี้ทุกคนแห่งทุกตาบลเพราะว่าใช้เวลาไม่ถึง7นาทีก็ซื้อเล่าได้แล้วทุกคนแห่งนะถ้าเป็นในเมืองก็ ก็เข้าร้านเซเว่นอีเเวนก็อาจจะมีเหล้าขายถ้าเป็นในหมู่บ้านก็ร้านค้าเดินไปไม่ถึง7นาทีก็ซื้อเหล้าได้เพราะมันมีหลายร้านมีหลายคุ้มอย่างนี้เหล้าหาซื้อง่ายไม่ต้องขับรถก็ได้แค่เดินใช้สองเท้านี่แหละแต่ถ้าสองเท้าไม่ร่วมมือด้วยมันก็ซื้อเหล้าได้ลําบากและถ้าปากนี่ก็ไม่ไปบอกลูกบอกหลานให้ไปหาซื้อเหล้ามาให้ มันก็ไม่มีเลาจะกินนะเรื่องของสองมือสองเท้าหนึ่งปากนี่สคัญมากเลยไม่ต้องทำอะไรมากนะก็ะแค่ดูแลสองมือสองเท้าหนึ่งปากให้ดีแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ทำแค่อย่างเดียวก็พอแล้วก็คือรักษาใจให้ดีเพียงแค่รักษาใจเนี่ยทำแค่อย่างเดียวพอรักษาใจให้เป็นปกติเคยมีพระรูปหนึ่งมาทูลาผู้เจ้าขอสึก ขอศึกพ่อแล้วเพราะว่าสิขาบทของพระภิกษุนี่มีมากเหลือเกินทําไม่ไหวทําอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้นะพระอุปัชฌาย์ก็ห้ามพระอุปัชฌาย์ก็สั่งไม่ให้ทาทำแล้วเป็นอาบัติก็รู้สึกไม่สบายใจว่าทำแล้วมันก็เป็นอาบัติก็อยากจะลาศึกกลัวจะผิดกลัวจะบาปหรือจะพราะรู้กว่ามันยุ่งยากก็ได้พระเจ้าก็เห็นว่าพระรูปนี้ก็มีแววพูดง่ายๆคือ มีแววที่จะบวชได้นานมีความตั้งใจก็เลยบอกว่างั้นถ้าให้ทําอย่างเดียวจะได้ไหมพระนั่นก็บอกว่าได้ถ้าทําอย่างเดียวนี้ก็เอาง่ายดีดีกว่าถือศีลสองข้อคุณเจ้าก็บอกว่านี่ให้รักษาจใจเป็นปกติให้ดูใจเป็นปกติเท่านั้นแหละทําได้ไหมบอกว่าทําได้ก็เลยไปเฝ้าดูตามดูตามเห็นจิต จิตมันเคลื่อนมันไหวจิตมันขยับก็รู้ก็เห็นมันเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นก็กลายเป็นว่าสามารถที่จะรักษากายวาจาให้เป็นปกติได้แล้วก็ในสุดก็สามารถบรรลุธรรมได้ด้วยการรักษาจิตให้เป็นปกติเอาข้อเดียวก็พอแล้วสองมือสองเท้าหนึ่งปากมันก็จะอยู่ในสีอยู่ในความปกติได้อันนี้ก็คือเหตุว่าทาไมต้องมาปฏิบัติธรรมกัน รักษาสีแล้วก็มาปฏิบัติธรรมงานเจริญสติทำสมาธิภาวนาก็เพื่อเป็นการรักษาจิตเป็นการปลูกสติเพื่อคุ้มครองใจไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองใจได้ดีกว่าสติแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำให้ใจสว่างได้เท่ากับปัญญาแต่ว่าจะรักษาใจให้ดีมันก็ต้องมีแนวทางในการปฏิบัติก็ต้องฟังธรรมฟังธรรมนี่ก็เพื่อเกิดแนวทางในการปฏิบัติรู้ว่า ปฏิบัติผิดหรือเปล่าและปฏิบัติถูกทำอย่างไงและบางทีมันพ้อแท้ท้อถอยก็ฟังทำแลักเกิดกําลังใจเกิดความมั่นใจก็ทําให้สามารถปฏิบัติทำได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราควรจะมาทํากันพวกเราในนี้หมายถึงทั้งพระทั้งคารวะญาติโยมอย่าให้การปฏิบัติทำมันเป็นเรื่องของพระหรือเรื่องของแม่ชีแต่ให้เป็นเรื่องของ ญาติโยมเป็นเรื่องของพ่อแม่ออกด้วยส่วนใหญ่พวกเราก็มั่นถนัดในเรื่องการให้ทานการให้ทานนี้ก็สําคัญอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าการให้ทานหมายถึงอะไรทานที่ถูกนะั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเราให้ทานกันไม่ถูกไม่ถูกตั้งแต่ของที่ถวายนะบางทีก็ไปถวายของที่ไม่เหมาะสมให้กับพระเราอยากได้อะไร เราคิดว่าดีแล้วก็ถวายพระอย่างนั้นซึ่งบางทีมันก็ไม่เหมาะไม่สมควรแก่สมณารูปเช่นบางทีก็ถวายบุหรีไปงานหลายงานก็มีบุหรีมาถวายบางทีก็ถวายสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่จําเป็นเห็นเจ้าคุณท่านเป็นพระสมณศักดิ์ละสมณศักก็ถวายรถเบ้นถวายรถบีเอ็มจนกระทั่งเกิดคขานิยมว่าถ้าเป็นพระราชาคณะต้องมีรถราคาหรูยิ่ถ้าเป็นสมเด็จ ก, ก็ต้อง มี2ยี่ห้อถ้าไม่เบนก็ BM เอพาก็เลยติด ก, กันก็ดูดูยี่ห้อรถเหมาะสมกับตัวเองไหมถ้าเป็นสมเด็จนั่งโตโยต้าไม่ได้นะต้องเบน BM ถ้ามีโตโยต้าแล้วก็ปุ๊อันนี้เพราะโยมนี่แหละก็เริ่มถวายกันแบบนี้ก่อนก็เลยเป็นข้ารีวิผิดๆน อ, อยจาถวายในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็ต้องวางใจให้ถูกวางใจให้เป็น เช่นไม่มีเยื่อใหญ่ในของที่ถวายผู้เจ้าพระรงคไม่สารเสิญการให้ทานที่ยังมีเยื่อใหญ่อยู่มีเยื่อใยไหมคำว่ายังไงหมายความว่าให้ไปแล้วก็ยังเชื่อเป็นของฉันอยู่ถวายอาหารไปแล้วก็ยังคอยดูว่าพระจะฉันของที่ฉันถวายไหมฉันอุตส่าห์ทำมาอย่างดีพอหลวงพ่อไม่ถวายของฉันใจก็เศร้าหมองอันนี้ก็แสดงว่ายังมีเยื่อใ่อยู่ ยังมีความคิดตกค้างอยู่ว่าอาหารนี่เป็นของฉันถ้าถวายแล้วก็ถวายเลยเป็นของพระไม่ใช่ของฉันแล้วท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ว่าเราได้ถวายแล้วใจเราเป็นบุญแล้วบุญได้สำเร็จแล้วถวายเงินไปแล้วท่านจะใช้ยังไงก็ให้เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่ของเราเพราะว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วนะถวายโดยไม่มีจิตเดือดแยะไม่มีจิตผูกพัน ถ้ามีเย่อใยถ้ามีจิตผูกพันยอยู่พระองค์ไม่สรรเสริญการถวายทานนั้นหรือถวายทานเพื่อหวังสั่งสมบุญในภพหน้าอันนี้ยังมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภอยู่คือยังอยากได้ผลตอบแทนถึงแม้จะไม่เป็นผลตอบแทนที่เป็นวัตถุและยิ่งถ้าหวังผลตอบแทนเป็นวัตถุเช่นหวังให้รวยเร็วๆไม่ต้องรอภพหน้าเอาภพนี้เลยนะขอให้รวยเร็วๆขอให้มีชื่อเสียงขอให้สําเร็จการงานอันนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่ เป็นทานที่พระองค์ไม่สรรเสริญเพราะยังเจือด้วยกิเลสอยู่เพราะว่าการให้ทานนั้นก็คือให้เพื่อลดละ ก, กิเลสเพื่อลดละความโลภลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนแต่ถ้าให้ไปแล้วถวายไปแล้วก็ยังอยากได้ผลตอบแทนและต้องเป็นผลตอบแทนที่มากกว่าที่ถวายไปถวายสิบบาทก็อยากได้ผลตอบแทนเป็นร้อยคือถูกหวยพ่าแทงไป15บาทนะก็อยากได้เป็นถูกสักหกบาท 2,000 บาท อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้แบบหวังบุญหวังประโยชน์ขนาดหวังที่จะได้บุญในภพหน้าพคองค์ก็ไม่สารเสด็จเลยยิ่งการหวังบุญหวังโชคหวังลาภในปัจจุบันในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้านี่ก็ยิ่งแล้วใหญ่ถือว่าให้ทานเพราะว่าญาติมิตรวงตระกูลทํากันมาก็าถือว่าดีเราก็ทําบ้างเพื่อรักษาชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล อันนี้ก็ไม่ใช่ทานที่พระองค์สารเสวญเช่นเดียวกันทานที่พระองค์สารเสวนคืออะไรก็คือทานที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่ามันชาตินี้หรือชาติหน้าแต่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับอันนี้ทำไปด้วยจิตเมตตาไม่ใช่ทําบุญเอาหน้าไม่ใช่ทําบุญหวังโชคหวังลาภอันนี้ก็ให้เข้าใจหรือไม่มีอะไรจะถวายก็ทําอย่างอื่นได้เหมือนกันเช่นเขาไม่มีเงินถวายแต่คนหนึ่งเขาถวายแล้ว เราก็ช่วยอนุโมทนาด้วยหรือว่าชี้แนะทางให้ทาบุญมีคนที่ได้ไปเป็นเทพธิดาเพราะเพียงแต่อนุโมทนาในบุญที่ผู้อื่นได้ทาหรือชี้ทางให้เขาทำบุญบางท่านไม่ได้ให้ทานแต่ว่าปูกปา่ารักษาสวนทากิจที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เหมือนกันมีบางท่านนี่เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้คน มีอะไรก็แบ่งปันเจือจานก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ทานนี่ไม่ใช่ว่าต้องทําด้วยเงินทําบุญนี่ไม่จำเป็นต้องทําด้วยเงินทําด้วยอะไรก็ได้นะทำด้วยใจความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีจิตเกื้อกูลช่วยเหลือนะก็เป็นบุญการเสียสละเพื่อส่วนรวมทํากิจส่วนรวมนั่ น, นี้เรียกว่าวัยวัตจำใหม่เป็นบุญอย่างหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นพรมจรรย์ด้วย พรหมจันท์ี่ไม่ได้แปลว่าการไม่เกี่ยวข้องกับกามหรือเพศตรงข้ามหรือจะเป็นเพศเดียวกันก็นแล้วแต่พรหมจันทร์ไม่ได้หมายความขนาดนั้นอย่างเดียวการถือศีลห้าผู้เจ้าก็ตอัสว่าเป็นพรหมจันทร์เหมือนกันพรหมจันทร์แปลว่าอะไรพรหมจันทร์แปลว่าจริยาหรือการประพฤติอันประเสริฐพรหมแปลว่าประเสริฐจันทร์ก็คือจริยาหรือทางไปคือการประพฤติอันประเสริฐ การะพื้นอมประเสริญนี้นะไม่ได้มีความหมายแค่ว่าไม่คล่องแคล่วกามหรือว่าเพจลดแต่ยังหมายถึงการทําความดีตามกําลังของตัวหรือศีลแปกก็พรมหมจรรย์ถือศีลห้าก็พรหมจรรย์หรือว่าพอใจในคู่ครองของตัวพระูญเจ้าก็ตัดว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างเหมือนกันรวมทั้งการช่วยเหลือผู้คนวัยวัตจำไมหรือว่า ทีเรียกวัยวัจกรวัยวัจกรก็คือผู้ที่บำเพ็ญวัยวัจจะใหม่ก็คือช่วยเหลือดูแลกิจของส่วนรวมกิจของสงฆ์ก็ช่วยกันดูแลอันนี้ก็เป็นพรรมจันทร์พูงง่าคือทําความดีไม่ว่าศีลหรือภาวนาจะรวมถึงทานด้วยก็เป็นพรรมจันทร์เหมือนกันการทาบุญในพุทธศาสนานี่มีความกว้างขวางหลากหลายมากไม่ใช่แคบแคบแต่เพียงแค่ว่าต้องทําด้วยเงิน เดี๋ยวนี้ก็มีความเข้าใจว่าทำบุญนี่ต้องทำด้วยเงินแล้วต้องทาเยอะๆด้วยทำได้เยอะก็ได้บุญเยอะทำได้น้อยถวายน้อยก็ได้บุญน้อยอันนี้มันผิดแล้วบุญนั้นไม่ได้อยู่ที่เงินไม่ได้อยู่ที่จานวนเงินแต่ว่าการให้ทานด้วยการสละสิ่งของหรือเงินเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีเพราะว่ามันก็ด้วยฝึกการลดการละใหม่ๆก็ ล, ละแบ่งปันด้วยสิ่งของนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทานธรรมดาต่อไปก็ทําด้วยเมตตาขณะที่เรียกว่าสามารถที่จะสละอวัยวะได้อันนี้เรียกว่าเป็นการบําเพ็ญบารมีอย่างอุปบารมีแล้วถ้าทําถึงขั้นสละชีวิตได้เนี่ยเรียกว่าปรมาทบารมียิ่งให้สิ่งที่มีค่าก็ถือว่าเป็นบุญที่สําคัญอวัยวะก็เป็นสิ่งที่มีค่ามันมีค่ากว่าทรัพย์สินเงินทอง ก็พร้อมที่จะถวายพร้อมที่จะสละสละให้แก่ผู้อื่นที่เขาต้องการพ็ลำบากจะไปกลัวว่าสละอวัยวะไปแล้วตายไปหรือไปชาติหน้าจะขาดสิ่งนั้นวันนี้ก็มีความเข้าใจอย่างันั้นว่าถ้าเราสละอวัยวะไม่ว่าในตอนมีชีวิตอยู่หรือตอนตายแล้วไปเกิดชาติหน้าไม่มีอวัยวะนั้นคือพิการอันนี้มันไม่ใช่ความคิดแบบพุทธศาสนา มันเป็นสิ่งที่ควสรสรรเสริญ น, นะ<ม>เพราะว่าถือว่าเป็นอุปบรารมีเลยและยิ่งสละชีวิตนะก็เป็นปรมัาธบรารมีอย่างพระเวสสันดรเนี่ยก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบำเพ็ญบรารมีมามากเรานับถือพระเวสสันดรมากนะชาวพุทธที่นับถือนิกายเทรวาสนะ<ม>ก็จะยกย่องพระเวสสันดรว่าเป็นยอดแห่งผู้ให้ทานถ้าเป็นมหาญานก็เจ้าแม่กวนอิม ทำไมกุนอิมนี้เป็นผู้ที่ประเสริฐมาเป็นพระโพธิสัตว์ที่จริงกุนอิมนี่ไม่มีเพศนะโพธิสัตว์นะแต่ไปไปมามากลายเป็นเพศหญิงไปก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตา ก, กรุณาแต่ละว่านี้ไม่มีเจ้าแม่กุนอินแต่ก็มีพระเบสันดอนนี่แหละเพราะว่าท่านบำเพ็ญบารมีครบถ้วนแล้วก็มากกว่านั้นด้วยคือว่าให้ลูกให้ภรรยาไม่ได้ให้แค่ทรัพสมบัติ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สละอวัยวะสละชีวิตแต่ว่าก็ถือว่าการสละลูกเมียนี่เป็นเรื่องที่ยากกว่าเพราะคนเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยการที่ตัวเองจะตายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าการตายนั้นทําให้ลูกเนี่ยมีชีวิตรอดพ่อแม่บางคนก็บอกว่าฉันตายดีกว่าที่จะเห็นลูกตายเวลาลูกเป็นมะเร็งบอกว่าฉันเป็นมะเร็งดีกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นมะเร็ง เ า, าการที่ตัวเองตายเพราะเป็นมะเร็งเนี่ยมันยังง่ายกว่าการที่เห็นลูกตายเพราะเป็นมะเร็งหรือตายเพราะอุบัติเหตุไดก็ตามแล้เพราะงั้นการที่สละชีวิตเนี่ยบางทีมั น, ม, นมันไม่ยากเท่ากับการสละรูปเมียแต่พ่อเป็สันดอนนี่ได้ทําได้ทําเพื่ออะไรก็เพื่อมุ่งบําเพ็ญโพธิญาณหมายความว่าอะไรหมายความว่าเปลี่ยนไปด้วยเมตตามากเมตตาจนทังไม่มีความยึดติดถือมั่นอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ ต่อผู้คนก็พร้อมที่จะให้สมัยนั้นเขายังถือว่าลูกเมียนั้นเนี่ยอยู่ในการบัญชาเป็นสิทธิ์ขาดของพ่ออันนี้สมัยก่อนสมัยอินเดียเคิดแบบนั้นไม่เหมือนสมัยนี้ที่บอกว่าลูกเมียนั้นเขามีสิทธิที่เป็นของตัวเองมันไม่ใช่เป็นสิธทธิหรือสมบัติของคนเป็นพ่อหรือคนเป็นสา ม, มีบางคนสมัยนี้ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเห็นด้วยกับพระเบสัตอนว่า ไปให้ลูกให้เมียได้อย่างไรเพราะไปมองว่าลูกเมียนั้นมันไม่ใช่สิทธิทของเรามันเป็นของเจ้าตัวนะแต่ว่าสมัยก่อนก็ถือจริงๆเลยว่าลูกเมียนั้นเป็นเป็นสิทธทิของพ่อของสา ม, มีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เหมือนกับทรัพย์สมบัติเพราะว่าการให้ทรัพย์สมบัติมันง่ายแต่การให้ลูกเมียนั้นมันยากอย่างพระเบสันดรเนี่ยท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดมาสัก8ปดขวบได้ก็บอกเลย ว, ว่าพร้อมที่จะสละอวัยวะจะอุทิศ เลือดอุทิศเนื้ออุทิตอวัยวะให้ใครก็ได้ถ้าเขามาขอคือมีเมตตาตั้งแต่เล็กไม่ได้ยึดติดถือมันว่า น, านี่มือของฉันฉัน จ, จะหวงแหนเอาไว้ไม่ใช่พร้อมจะให้แต่ก็ไม่มีใครมาขอนะกลับมีคนมาขอที่ยิ่งกว่านนะั่นคือขอลูกขอเมียถ้ามาขอมือขอแขนนี่พระเวสสันดรก็คงจะให้แต่ในเรื่องพระเวสสันดรไม่มีใครขอ ขอทรัพย์สมบัติขอช้างแล้วก็โน่นไปขอลูกขอเมียเลยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาว่าไปให้ลูกเมียกับชูชกได้อย่างไรแต่พระเปาสันนก็ให้เพราะว่าเรื่องการสลระอวัยวะสละชีวิตนั้นเนี่ยชาติก่อนๆเคยบำเพ็ญมาแล้วพระโพธิสัต์เนี่ยเคยบำเพ็ญสละชีวิตสละอวัยวะให้กับผู้อื่นมาแล้ว ชาติก่อนๆยังไม่เคยสละลูกเมียเลยเพราะว่าการสละลูกเมียนั้นสาหรับคนที่รักลูกและเมียอย่างพระเบันดอนเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าการสละชีวิตซีในชาติก่อนอนะพระพุทธศาสนาก็เคยสละนะมีแม่เสือขาดอาหารหิวโหยกาลังจะฆ่าลูกพระพุทธศาสนาก็เลยอุทิศชีวิตอุทิศร่างกายให้ให้แม่เสือแม่เสือได้มีอาหารกินแล้วก็จะได้ไม่ต้องกินลูกของตัวเองเป็นบาปเป็นกรรม อันนี้ไม่ได้เรยกว่าฆาตัวตายนะเพราะว่ายัางรักชีวิตแต่ว่าเห็นว่าชีวิตของผู้อื่นก็สําคัญกว่าไม่อยากให้แม่ฆ่าลูกจะเป็นบาปเป็นกรรมอันนี้ก็สแสดงถึงความที่ไม่หวงแหนในร่างกยายของตัวมีชาวอินเดียคนหนึงเขบอกว่าเมื่อฉันมองตัวเองและไม่พบอะไรเลยนั่นแหละคือปัญญาเมื่อฉันมองออกไปข้างนอกและเห็นสรรพสิ่งคือตัวฉันนั่นแหละคือกรุณา คือเห็นสรรพสิ่งเนี่ยไม่ต่างจากตัวเองโลกคือเราเราคือโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พร้อมจะสลักสลักชีวิตเพื่อสัตว์เพื่อเสือเพื่อลูกเสือได้ชีวิตของลูกเสือนั้นก็เหมือนกับชีวิตของฉันก็พร้อมสละชีวิตได้อันนี้คือความคิดของพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยกรุณาว่าผู้ที่มีกรุณาก็จะไม่มองว่าผู้อื่นนั้นไม่ใช่ฉันแต่มองว่าทั้งหมดทั้งปวงหรือสรพสรพสัตว์สรรพสิ่งนั้น ก็ไม่ต่างจากฉันอันนี้คือใจที่ยิ่งใหญ่เป็นกรุณาเจ้าแม่กวนิมก็เป็นอย่างนั้นช่้าแมคกวนิมีสละลูกตาได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรนี้เคยสละชีวิตมาแล้วในชาติอื่นๆพอมาชาตินี้ก็เลยทําสิ่งที่ยากกว่าคือกาสรสละลูกเมียถามว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นก็อาจจะตอบได้ว่าเป็นเพราะว่าชาติต่อไปจะต้องทําแบบนั้นเหมือนกัน เราคงทราบดีว่าเมื่อพระเจ้าชาติสิทธัตถะได้มีความเบื่อหน่ายในชีวิตของการเป็นลูกกษัตริย์ก็อยากจะหาทางหลุดพ้นหาทางเอาชนะความตายสิ่งแรกที่พรงษ์ทำก็คือละทิ้งลูกเมียและทรัพย์สมบัติเพื่อออกบวชถ้าหากว่าพงษ์ยังมีความห่วงหาอะไยลูกเมียอยู่ก็คงจะออกบวชไม่ได้และเมื่อออกบวชไม่ได้ก็คงจะ ไม่มีทางคนพลดพระธรรมในตัวเองได้ไม่สามารถจะเป็นพระสมมาสังพุทธเจ้าได้คนที่เป็นพระอาหารหันต์นี่อาจจะไม่เป็ต้องทิ้งลูกเมียนะคื อ, อยังมีลูกเมียอยู่แต่ว่าได้ฟังคําสอนของพระเจ้าก็บรรลุธรรม่ารว่าที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์นี้มีอยู่ไม่ได้มีน้อยเดียมีเยอะพยศะนี่ก็เป็นท่านหนึ่งนะพยัศะเป็นท่านหนึ่งการุทายิก็เป็นท่านหนึ่งที่บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์โดยที่ยังไม่ได้บวชยังเป็นผู้ครองเรือน แต่ถ้าเป็นพระสมมาสมพุทธเจ้านี่ต้องละทิ้งทรัพสมบัติหรือเรือนเพื่อจะออกบวชแล้วก็จะใช้ศีทธรรมก็คงจะไม่มีกําลังใจหรือไม่มีความเด็ดขาดที่จะทิ้งลูกเมียได้ถ้าหากว่าไม่เคยบําเพ็ญบารมีในชาติก่อนนะก็คือบําเพ็ญบารมีในชาติที่เป็นพระเบสันดรเพราะพระเวสันดอก็ยอมสละลูกเมียอันนี้เรียกว่าเป็นการซ้อมใจก็ได้พระเบสันดรเนี่ย การบำเพ็ญบุญในสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นการซ้อมใหญ่เพราะในพบต่อไปต้องทําจริงแล้วต้องยอมสละลูกเมียพิมพาราหุนเพื่อจะออกบวชแต่ในสุดก็ไม่ได้สูญเสียไปเพราะว่าสามารถบำเพ็ญพระโพธิญาณจนเป็นพระเจ้าได้ก็กลับมาช่วยเหลือพิมพาราหุนให้ได้บรรลุธรรมเหมือนกับที่พระเวสสันดรในสุดก็สามารถจะกลับมาอยู่กับสันหาชาลีแล้วก็ภรรยาได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องการบาเพ็ญทานนะที่จะว่าไปมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและเกิดว่าเป็นการบเาเพ็ญทานที่มุง่งลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนแต่ว่าจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องบาเพ็ญบุญหรือบาเพ็ญบารมีอย่างอื่นด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของศีลและก็ในเรื่องของภาวนาก็คือเรื่องของใจนั่นแหละเพราะว่าทัาใจยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรม มันก็สละได้แค่ยางมากก็สิ่งของแล้วก็สละแล้วก็ยังมีความอยากจะได้สิ่งตอบแทนเป็นรางวัลเช่นอยากจะได้บุญอยากได้โชคอยากจะถูกหวยอยากจะหายป่วยคนส่วนใหญ่ก็ทำบุญอย่างนั้นทำบุญเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างที่เป็นรูปธรรมหรือนมามธรรมก็ได้เช่นอยากได้ชื่อเสียงนี่คือเรียกว่าทำบุญเอาหน้าอันนั้นมันเป็นการบำเพ็ญบุญที่ ยังไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจอย่างดีแต่ทําก็ดีนะเพราะว่าการทำมันก็จะค่อยๆช่ว ย, ยขัดเกลาไปแต่ว่าพวกเราก็มาจําศีลแล้วนะก็ถือว่าได้เห็นว่าการรักษาศีลก็สําคัญแล้วก็ก็ขอให้มาเป็นการภาวนาไปด้วยเหลือเพิ่อเรื่องการรักษาใจไม่ให้ทุกไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่ให้เกิดความโลภความโลภหรือว่าตัณหาเนี่ยนะ มันอาจจะไม่ได้เผาใจมากเท่ากับความโกรธมีความอยากพอรั่วไม่ได้หรือพอรั่วมันของมันแพงก็ปล่อยวางได้แต่ว่าความโกรธนี่มันบางทีเป็นค้างใจนานปฏิบัติธรรมก็ต้องเรียนรู้ที่ต้องจัดการความโกรธหรือโทสะให้ได้ดอยากจะให้ลองนึกถึงคําสอนของพระสารีบุตรพระสารีบุตรบอกว่าเวลาโกรธเนี่ยหรือวิธีที่จะระงับความโกรธป้องกันความโกรธเนี่ย ให้นึกถึงแผ่นดินนะทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยมันหนักแน่นใครโยนขยะใครโยนซากพืชซากสัตว์ใครฉี่ใครอุจจาระปัสสาวะทิ้งอะไรลงไปแผ่นดินก็ไม่ได้โกรธหรือก็ไม่ได้แปรเปลี่ยนไปทิ้งสารพัดนีก็ยังได้แต่ถ้าทิ้งมากไปนี่เป็นอันตรายต่อคนเองนะเป็นไปทิ้งพลาสติกไปทิ้งสารพิษเอายาค่าหญ้าเท ล, ลงไป เอาอยาฆ่ า, า, มาแมลงเทลงไปแผ่นดินไม่เดือดร้อนเท่ากับมนุษย์หรือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินนั้นแต่แผ่นดินก็ไม่โกรธนะเราท้องกับแผ่นดินแผ่นดินไม่โกรธนะแต่ว่าคนทำนั่นแหละเดือดร้อนเองไทยทําใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเพราะส่ยบุดไหว้ไว้อย่างนั้นแล้วก็ทําใจให้ว่างเหมือนอากาศอากาศนี่มันว่างมันโล่งเวลาเราฟาดมือลงไปที่อากาศอากาศไม่ตอบโต้เลยไม่เหมอลเราฟาดไม้ฟาดหินมันตอบโต้ แล้คนฟ้าก็เจ็บเองเอามือฟ้าถหินคนฟาก็เจ็บเอามือฟาไม้คนฟาก็เจ็ บ, จบคือมีการตอบโต้จากไม้จากก้อนถินแต่ว่าอากาศนี้ฟาไปเถินะมันก็ไม่ตอบโต้ให้เราทําใจของเราว่างเมื่ออากาศว่างจากความยึดถือในตัวตนไม่มีตัวตนอากาศนี้ว่างไม่มีอะไรที่จะมายึดติดให้อากาศนี้ต้องเศร้าหมองโร่งโรง่ง ทำใจให้ว่างเมื่ออากาศคือไม่มีความโกรธความเกลียดเข้ามายึดครองใจทําใจให้เย็นเหมือนน้ํานเะมื่อเย็นเหมือนน้าแล้วเนี่ยไฟโทสะมันเกิดขึ้นไม่ได้ทําใจให้เย็นน้ำเนี่ยนะเอามือกลีดลงไปเนี่ยมันมีลอยประเดี๋ยวเดียวก็หายแล้วก็เหมือนใจที่ไม่พยาบาทมีอะไรมากระทบมาด่ามาว่าก็อาจจะโมโหนิดหน่อยเสร็จแล้วก็กลับเป็นปกติ เราจะเอามือกรีดน้ํากี่เที่ยวกี่เที่ยวก็ไม่เหลือไม่มีรอยกรีดเหลืออยู่เพราะว่าน้ำมันก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมให้เย็นเหมือนน้าให้อ่อนโยนเหมือนกับกระสอบหนังแมวนะหนังแมวเป็นยังไงแตมาไม่เคยเห็นแต่มันคงจะอ่อนโยนอ่ อ, อนนิ่มมากแล้วก็คงจะทนทานด้วยพระสรัจจะบอกบอกว่าให้ทําใจอ่อนโยนเหมือนกระสอบหนังแมวอันนี้เป็นการน้อมใจให้เป็นเหมือนธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นครูสอนเราแผ่นดินเอ่ยอากาศเอ่ยแม่น้ําเอ่ยหรือว่าสิ่งที่มนุษย์เราประดิษฐ์ขึ้นมาก็สอนพัมสอนใจเราได้ทั้งนั้ น, นเวลาเราโกรธให้นึกถึงอย่าไปเก็บกดความโกรธเอาไว้หรือว่านึกถึงใบบัวก็ได้ใบบัวนี่นะพวกเราก็เห็นอยู่นะน้ำมันขังอยู่ในใบบัวแต่มันขังได้ไม่นานหรอกถ้าน้ําขังเยินใบบัวมันก็จะเริ่มโอนเริ่มเอียง โอนเองทำไมโอนเยมเพื่อจะเอาสลัดน้ํำออกใบบัวนี่ไม่ยอมแบกน้ำเอาไว้เพราะรว่าแบกแล้วมันหนักใจของเราเนี่ยถ้าใจเรามีสติเนี่ยนะมันไม่ยอมแบกบความกลัวไว้หรอกมันจะสลัดไปเลยแต่ถ้าใจเราเนี่ยมันแข็งกระด้างเนี่ยมันก็เท่ากับว่ารับน้ําหนักไว้เต็มที่เสร็จแล้วมันก็พังคื่นลงมาให้ใจเราอ่อนโยนมีสติไวเหมือนกับใบบัวที่มันมีก้านอ่อน ตาเนี่ยช่วยทําให้แค่น้ําหยดเดียวมันลงบนใบบัวนี่ใบบัวก็รู้แล้วแล้วก็หาทางที่จะสลัดมันออกไปที่จริงน้ํามันขังใบบัวก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่สามารถทําให้ใบบัวเปียกได้ใบบัวนี่มีความสามารถหลายอย่างที่สอนทำไมมให้เราได้สอนว่าอย่าให้กิเลสมาแปดเปื้อนอย่าให้แม้แต่ผัสสะมันมาติดค้างใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง สัมผัส ด, ด้วยลิ้นสัมผัส ด, ด้วยกายสัมผัส ด, ด้วยจมูกก็ตามรู้สึกด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายก็ตามก็ อ, อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมันมาติดค้างใจนี่แหละใบบัวเ้าสอนว่าแม้แต่น้ําก็มาเกาะไม่ได้มันก็ได้แต่มาขังไว้ตรงกลางใบบัวขังได้ไม่นานใบบัวก็สลัดออกไปให้เราสลัดความโกรธสลัดความฟุ้งซ่านสลัดอารมณ์ที่เป็น อ, อกุศลอย่างนั้นอย่าไปเก็บอย่าไปหมักบ่มเอาไว้ นี่และเลียกาภาวนาภาวนาคือการทําใจให้เป็นปกติธรรมชาติของใจมันปกติอยู่แล้วแต่มันเสียปกติไปเพราะว่ากิเลสตัณหาเพราะอาวิชชาความหลงก็ขอให้เราบําเพ็ญทานศี่ภาวนาแบบที่ว่ามาไม่ใช่ว่าต้องทําเบงขันๆไปทําไปพร้อมๆกันได้ที่จริงถ้าเราบําเพ็ญภาวนาดีมันก็เป็นการให้ทานในตัวโดวยเพราะอภัยทานสลัดความ ถือโทษกรดเคืองเพยาบาทออกไปไม่ถือโทษกรดเคืองก็เรียกว่าอภัยทานคือการให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นไม่ถือโทษไม่คิดจะทำโทษไม่คิดจะแก้แค้นเรียกว่าอภัยทานแต่จริงอภัยทานมีความหมายกว้างกว่าการให้อภัยไม่ถือโทษทั้งนั้นแต่ว่าหมายถึงการให้ความปลอดภัยอย่างเช่นเขตอภัยทานเนี่ย เราไม่ได้ให้อภัยปลาในความหมายที่ว่าปลามันทําโทษกับเราทําลําความดูอร้อนแล้วเราให้อภัยไม่ถือโทษไม่ใช่แต่หมายถึงเป็นเขตที่เราจะให้ความคุ้มครองปลอดภัยแก่ปลาแก่สัตว์เราก็เรียกว่าเป็นอภัยทานแพัยทานความหมายจริงมันกว้างกว่า น, นั้นคือการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยให้ถึงแม้เขาจะไม่ไทําอะไรเราเราก็พร้อมจะให้ความปลอดภัยแก่เขาไม่ถือโทษแล้วก็ไม่เอาโทษ ให้แต่ความปลอดภัยอย่างเดียว